ทำฟังทํากันต่อสักประมาณครึง่งชั่วโมงชาวเน็ตเตื่นมาเป็นไงบ้างทํามะสวดมนต์กันหิวหรือเปล่าเตื่นขึ้นมาไม่ได้ทานข้าวมาตั้งแต่เมื่อวาน หลังจากดื่มน้ำปานะเร็จตอนเย็นพอจะมีพลังกันอยู่บ้างถึงวันนี้แล้วเช้านี้พลังชีวิตเป็นยังไงบ้างกำลังกายลังกายมันหิวก็เกิดกิเลสได้ง่ายทังกายก็เหนื่อยเหนื่อยล้ ทำงานหนักก็กิเลสได้ง่ายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายก็หมดเรี่ยวหมดแรงไม่สบายตกทรมานเนี่ยก็กิเลสได้ง่ายอันนี้จะกระทั่งพระเจ้ากำหนดด้วยเลยว่าเจ็บไข้ไม่สบายไม่รู้ทำได้ยาก ก็มีการลนามิติเดียวนะคลิปมโ น, น, นสูตรรลางกายลำเป็นกิเลสยังไงถ้าหากว่าหลงเผลอเข้าไปเจ็บไข้ไม่สบายแก่เจ็บตายนีเนะทมกันที่สุดก็คือสายาที่ทำให้เกิดกิเลสกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกขน์นะ ความทุกคือารขัดแย้งอยู่ได้ยากจะอยู่ก็อยู่ยากอยู่กับงานก็อยู่ยากอยู่กับคนก็อยู่ยากอยู่กับสังคมเศรษฐกิจการเมืองก็อยู่ยากขัดแย้งเป็นทุกข์ท้ายสุดก็คือรื่องของอัตตามันจัดมีอัตตาจัด เป็นคนที่มีตัวตนสูงทิฏฐิมาหน้าหางการน้ำมังการใหญ่สุดกูเก่งแล้วมันจะตีกลับมาได้กูไม่เก่งกูเก่งกูไม่เก่งอัตตาจัดมาหน้าทิฏฐิอันนี้นทให กิเลสเจริญเติบโตเราก็จะได้เห็นถ้ามองผ่านความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวตัวสติตัวสัมผััญญาจะได้เห็นกิเลสนี่พล่านเลยอยู่ในจิตใจของเราความไม่รู้รู้ไม่ถูกมิจฉาทิฏฐิ เราเลมาฝึกมันรู้เรารู้ถูกๆหน่อยรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้ตามความเป็นจริงเห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องอันนี้นเป็นปัญญาพุทธะมันเป็นปัญญาสัมมาสัมปทาญาณญาณก็คือขนส่งอภารนะฌานก็คือมันเพ่งแล้วก็เผา สมาธิเกิดฌานเพ่งเผามันเป็นลนักษณะของเจโตวิมุตตปัญญามันพาพ้นทุกข์ลปัญญาวิมุตตวิมุตตก็หลุดพ้นีิเรานต้องเดินทางผ่านพ้นอะไรไปบ้างเอาไว้ข้างหลังประสบการณ์สุขๆุทุกข์ทุกเอาไว้ข้างหลัง จจุบันนี้เราก็ผ่านมาสู่โลกความเป็นจริงโลกกายกว้างสอกยาวานาคืบทายสี่ขันธ์โลกคือแผ่นดินเราอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงเราเดินแบบลอยลอยรูปขันธ์ของเราลอยๆอยมันก็เค้งกวางเวองวาง ไปไหนมาไหนมันก็เบาวิวไปเลยนะเราไปได้มีปีกเหมือนนกนะนกไปไหนไม่พลุงพลังนะเราไปไหนต้องเดินบนดินนะต้องเคลื่อนที่ไปแต่ก็ยังช้านะ ร่างกายเราเ่อนที่ไปยังช้ว่าจิตใจจิตใจเนี่ยแวบเดียวไปแล้วเราเกิดมาเดินบนดินอยู่บนโลกใบนี้มีสมองสมองโตกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่บางทีอาจจะโง่ลึกกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่ไม่ค่้าตัวตาย เคยเห็นแมวฆ่าตัวตายไหมโยมเคยเห็นแมวสุบรีกินเหล้าัหมมนุษย์นี่โง่ลึกเวลาโง่โง่ลึกกว่าสัตว์ฆ่าตัวตายกินยาตายทะลาะบ่อแวงมีพลรามโนมีนิ้วเคลียสัตว์ก็โ ง, งต่ตื่น แต่มนุษย์โชคดีที่มีปัญญายานมีการบรรลุธรรมก็เลยใช้โลกอย่างคุ้มค่าที่สุดเลยเอาโลกมนุษย์เป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ขาดทุนแต่ว่าเป็นการเดินทางอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ก็เยอาโล ก, กุตละ โลกุกตรธรรมโล ก, ก am, โลกิยธรรม่กับโลกโลกิยธรรมแล้วหลงวัตถุกรรมบุงควัตถุ123่งมบางคน123มีการรู้การศึกษาการเล่าการเรียน <ksam> มีการคิดแบบนอกกรอบแตมีความแตกต่างความเห็นแล้วก็คนยอมรับรวยเป็นมหาเศรษฐี ธุรกิดแบบนอกกรอบคนไม่ยอมรับเ้าก็หลุมยำ่ำหลุมสะก ร, รมตรงนี้ยังเกิดปราศธิ์ว่าไม่ล้มข้ามได้แต่คนล้มนะอยาข้ามให้มองกันตแต่ง่ดีเอาประโยชน์ โล ก, กโลกก็คือโลกของอากาศแทนะ้ๆอันนี้คือระบบสุริยะจักรวาลมีหลายกาแล็กซี่มีทางช่างเผือกมันเบลงวางมันกว้างขวางไม่ประมาณจะมีคนตั้งข้อสังเกตแล้วคิดกันต่างๆนาน า, นาถึงเรื่อง UFO มนุษย์ต่างดาว อาจจะมีมนุษย์ที่มีชีวิตเหมือนกับเราอีกอในโลกที่มันโลกต่างแดนต่างดาวต่างดวงกันค้นหาสืบคน้นหรือบางคนก็เฝ้ามองแต่ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าจนเป็นนักดาราศาสตร์หลายคนก็เชื่อมีวัตถุประหลาดสิ่งแปลกปลอม วัตถุที่มันลอยได้สร้างภาพยนตร์สร้างภาพลงตาต่างๆนานาเพื่อให้เป็นคนดังคนเด่นจริงไม่จริ ง, รงเราก็ไม่รู้เหมือนกันเรามาสนใจโลกของตัวเรานะกนกายกว้างศอกยาวหนาคืบเป็นโลกของพุทธศาสนา มีกายมีใจเป็นตัวชีวิตเป็นพนลังที่เราจะขับเคลื่อนต่อไปปกติเราใช้พลังคือทรัพย์พลังคือทรัพย์เงินทองหรือวัตถุที่ตกลงร่วมกันว่าเป็นมูลค่าเช่นทองคําเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเพชร บรอดมอนเราให้คุณค่าให้ราคาเป็นวัตถุเป็นกำลังคือทรัพย์ใครมีใครได้ครอบครองถือว่าสามารถที่จะมีอำนาจพูดคนก็เชื่อถือแสดงอะไรออกไปคนก็เชื่อถือมีความเคารพมีความศรัทธามีความยำเกรง กำลังคืนลูกไปไหนก็นรู้สึกมีพลังมานึกถึงลูกคนแก่ในคู่ก็เด็กเลยบางทีรักหลานมากกว่ารักลูกไปไหนได้อุ้มหลานหน้าตาคนอุ้มเหี่ยวๆแต่หลานหน้าตาผ่องใสสดใสแต่งตึงยิ้มอย่างไรเดียงสาไปไหนใครก็เข้าใกล้ เราก็เลยรู้สึกมีความสําคัญไปด้วยเมื่ออุ้มเด็กนะหรือว่ามีลูกนีจะหายขี้เกียจขี้คานไปเลยคนมีลูกนะตอนเป็นโสดก็ไม่ได้ขยันอะไรอยู่ไปวันๆนนแต่พอมีลูกลูกใจหิวไม่ได้พ่อแม่จะอิ่มปล่อยให้ลูกหิวนี่ไม่ได้เด็ดขาดมันจะเกิดคุณธรรมขึ้นมาจะขยัน เตรียมทรัพย์มรดกให้ลูกได้มีการศึกษาให้ลกูกมีความมั่นคงเราเคยขาดสิ่งไหนเคยไปยืนแล้วก็มองดูของเล่นไม่มีปัญญาที่เอามักซื้อมาหรือเอามาเป็นเจ้าของพอเราเป็นพ่อเป็นแม่คนเราซื้อให้ลูกเราได้ เหมือนก็มีการเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาอันนี้เห็นจากตัวเองนะที่พูดเนี่ยมันเห็นเราเป็นอย่างนั้นนะมันเกิดพลังเหล่านี้ขึ้นมากำลังคือลูกกำลังคือญาติมีพ่อแม่พี่น้องมีพี่ป้าน้าอาผู้หลักผู้ใหญ่ในวงตระกูล อยู่ดีมีสุขมีอำนาจวาสนาแล้วก็เอามาอ้างไปดูว่าเราเป็นคนที่น่ายำเกรงยังไงน่าเชื่อถื อ, อยังไงเอาพลังจากข้างนอกเข้ามาอย่างสังเกตไปแล้วแข่งกีฬาชิงแชมป์โลกถ้าคนไทยชนะมวยของไทยในชนะ ได้เหรียญทองโอลิมปิกนะเรารู้สึกโอ้มีพลังไปด้วยชนะเลิศเป็นนางงามจักรวาลอย่างเงี้ยนะอภาสราของสกุลอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้คนไทยนี่ไม่เบาปุ๋ยพรทิพย์อย่างเงี้ยโอ้โหหยุดลบกันไปเลยขนาดนั้นจำได้ว่าบ้านเมืองกำลังมีศึกสงครา ม, มกันทะเลาะกันข่าวแต่ละข่าวฟังแล้วเขียด ดูก็เกียดพอมีนางงามจักรวาลปุ๋ยพรทิพย์ได้ชนะเลิศการประกวดสาวงามระดับโลกไงคนไทยหายหายเครียดเลยฉนั้ น, นกลไกบ้านเมืองเรามีระบบต่างๆมากมายแล้วกันเพื่อคนไทยอยู่รอดได้อย่างไม่ต้องเครียดมาก ไม่ต้องมีความทุกข์ใจมากก็จะมีกลไกลย่างก็วางทีก็มีตลกมีดาราการแสดงต่างๆมากมายหมู่ณะต่างๆเ ร, า, ราเราได้สัมผัสแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายกำลังขือนรูปเปีกกาขาแข็ง ไปไหนก็ไม่เหนื่อยอาบน้ําก็ไม่หนาวพ่อแม่พี่น้องวงตระกูลเราไม่ได้สนใจอันนี้วัยยายานมวัยยายานมเข้าสู่วัยรุ่นก็สะบัดมือแล้วเวลาเราจูงหรือสมัยเราเด็กๆพ่อแม่เราไปโรงเรียนเนี่ยเราจะอายทันทีมาทำไมอะไปเที่ยวเหมือนกันเราแต่งตัวหล่อโก้ พ่อแม่อยู่ไหนก็ไม่รู้เราวัยยายานมด้วยสามีภรรยาญาญ า, ากันก็ดูไม่ยากใหม่ๆตอนเป็นแฟนไปไหนก็ไปด้วยกันหัดขับรถนี่ต้องหัดตอนเป็นแฟนกันนี่แหละอย่าไปตอนเป็นสามีภรรยาแล้วไปฝึกไป็นหัดกันทนะเลาะ ก, กันตายตอนเป็นแฟนก็ นองเนี่ยผมอะไรอยู่ตรงนี้นะจับมือได้นะนี่เกียร์นั่นเนี่ยเกียร์เกียร์จับมือสอนอย่างดีเนยะสุภาพแต่หลังจากที่อยู่กันเป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยผมอะไรเนี่ยผมอะไรน ะ, ะ ร, นะรู้จักไหมนะเสียงแข็งนี่มาเลยเนี่ยเกียร์เกียร์รู้จักไหมเกียร์ออกตัวนิดเดียวดับเนี่ยเฮ้ย มันโง่ขนาดนี้ไหมนเนี่ยบทหนึ่งมาเลยบางบางคู่นี่เลิกกันเลยเนะฝึกหัดขับรถเนี่ยต้องรู้จักเว ล, เวลาหน่อยเพราะนั้นกำลังคือรูปนี่หลายคนเผชิญโลกว่างเพราะว่าเชื่อมั่นในกำลังกายกาลังใจของเราแข็งแรง ฝรั่งจึงสลัดเลยอายุ1ิปดปีเนี่ยออกทองโลกกว้างพอเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยอย่าอยู่บ้านต้องออกไปเลยเผชิญโลกถ้าอดกลับมาได้ก็เจ๋งของไทยเดี๋ยวนี้ก็เป็นแล้วแหละจะายเป้ทองโลกงกว้างไปเรียนต่างประเทศกั น, น, นกรบางคือรูปมีความมันอกมันใจแต่ส่วนใหญ่ขาดกำลังคือศีลกาลังคือศีล ศีลคือความเป็นปกติทำอะไรก็วาดฝันแล้วทะเยอทะยานพอทำไม่ได้อย่างที่ฝันก็เหี่ยวเลยอนี้อกหักหลักร้อยก็เหี่ยวหมดกำลังใจจะมีโรคอีกหลายโรคตามมาเศร้าซึมเบื่อเซ็งโรคเครียดต่างๆวิตกกังวลมันก็จะกลายเป็นโรคจิตโรคประสาท อันนี้ต้องผ่านไปนิดหนึ่งให้มันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จนจิตใจมันเจอซ้ำๆจนมันทำใจได้เป็นเรื่องธรรมดาๆรรเจอหนึ่งครัง้งสองครั้งมันก็บนไหวพอสมควรความผิดหวังความไม่สมหวังไม่ได้ดังใจเพราะเดี๋ยวนี้ มนุทุกวันนี้จเจริญเติบโต ว, ว่าสารเล่งโตตัดสายพันธุ์ GMO กินอาหารจากกองโฟมสารตัสารทอมมีเยอะมากบริโภคทายสุขเพียนไปหมดโลภาศาษตแต่ก็เหมาะกับคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีเทคโนโลยีที่ไวมาก ความคิดต้องการความสะดวกต้องการความสุขความรวดเร็วร่างกายเป็นวัตถุรูปธรรมบรรจช์ก็ต้องพัฒนาให้วัตถุนวนไวพอๆกับจิตด้วยเหมือนกันทันอกทันใจรถก็ต้องรถเร็วๆ ร, รถไฟฟ้ารถไฟหัวกระสุนอะไรแบบนีน้ความเร็วสูงสามร้ห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องบินอย่างเงี้ยนะ แป๊บเดีย ว, วเทนั้นเองจากกรุงเทพมาขอนแก่นแป๊บเดียวกลบุทีไปภูเก็ตแป๊บเดียวใจมันไวนะธรมโอตะเดินไปเหมือนสมัยโบราณเนี่ยเมื่อไหร่มันจะถึงอย่างโอสมเด็จสามรเจ้าเผยแผ่ธรรมเดินจากพุทธคยาไปพารณาสีใช้เวลาเป็นแลมเดือนเลยเดินไปพระมหากษัตริย์ยกทัพไปสู้กัน ของทัพมามาที่กรุงศรีอยากรุงสุธ โ, โธขอไทยนึกภาพดูขี่ช้างขี่วัวขี่ควายกันมาขี่ม้า ก, กันมาเป็นยังไงนึกภาพออกเลยนะนั่งกันมาเป็นแรมเดินลงจากหลังช้างมาขาทางเลยเยอะไหมเดินไม่เป็นเลยเยอะบ้างไหมขนาดเรานั่งรถเนียยัยงเมื่อยเลยนะเยอะนะอันนี้ขี่ช้างมาตลอดนะลงมาขาทางเลย เพราะฉะนั้นเราโชคดีฝากษัตริย์สมัยโบราณฝาาคนโบราณแน่นอนพนาลาัยมหาราศอย่า ง, งนะเงี้ยพระเจ้าตรมมาสิทธิราชเมือนะกุมย า, ยากุมสุโธสุขโขไทยพระเจ้าตากศินมหาราศอย่างเงี้ยยกทัพขณะเป็นกษัตริย์นะยังขี่สัตว์อยู่เลย ขอเราเนี่ยเทคโนโลยีสูงประมาณการสัตว์ไม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ไม่ได้อยู่ห้องแอร์เย็นเย น, ย น, ยนสบายพออยาไม่หาเมืองเมืองไหนเย็นอยู่ได้สบายก็อยู่เมือง น, นั้นยกเราเป็นยุกที่โชคดีทา้งด้านวัตถุนะแล้วก็เรื่องของธรรมะด้วยโชคดีที่สุด มีการพูดถึงความเป็นจริงกันหรือฉพาเรื่องการฝึกสติปัะญานเนี่ยสมัยก่อนนี่คนต้องดันด้นเข้าไปหลวงพ่อครูบาอาจารย์ดีๆอยู่ที่ไหนไปหาแล้วท่านก็ไม่ได้สอนง่ายๆด้วยถามคำาตอบคำานองหรือบางทีไม่ได้ตอบด้วยให้ไปถามเอาเอง ปฏิบัติเอาเองทำสมถักรรมฐานนั่งจนขาเขียวไปเลยไม่ขยับแข้งไม่ขยับขานั่งนิ่งอยู่นั่นนะเห็นว่าเอาจริงสอนบอกให้ยกนี้เนี่ยเราพูดกันเลยนะทางเอกของทางเดียวสู่การรู้แจ้งนะสติปัฏฐานสี่มาเจอนวันแรกบังคับมากระบอกอย่างนี้ หรืจะมาตามโครงการที่ศรัทธารวมตัวกันมาก็บอกหรือ ม, มีศรัทธามาเดี่ยวๆก็บอกบอกทุกคนให้ได้ยินได้ฟังเอาไว้เป็นบุญหูเป็นบุญหูถ้ามีสติปัญญาสรุปจะประเด็นได้อามาธรรมมันก็เกิดวิชากรรมฐานขึ้นมาที่เกิดมาจากการกระทําเราเคยทําดีทําดีทําชั่วทํากรรมดีกรรมชั่ว ทางกายเดินไปทําดีทําชั่วยกมือทําดีทําชั่วเคลื่อนไหวทําดีทําชั่วพูดทําดีทําชั่วคิดทําดีทําชั่วเป็นกรรมมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมพอเราฝึกวิชากรรมฐานก็กลายเป็นกรรมมัฐานผลก็ทําให้เกิดธรรมชาติปรากฏออกมาแล้ววิปัสนาเห็นธรรมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมวันก็เห็นเราผู้ใดเห็นเราวันนก็เห็นธรรม เห็นตัวเราอย่างงี้นะนี่แหละก็คือการละชั่วทำดีจําระจิตทิมเกียเราสวดกันเป็นหลักการของพระุทธศาสนาละชั่วก็มารู้สึกตัวซีจะทำดีที่สุดอลไรก็เนี่ยมารู้สึกตัวซีจะชำระจิตกับไอตัวชำระจิตนะรู้ซื่อเป็นปกตินะจิตทิมเคยร์เลอะขาวเลอะดำความสุขสีขาวความสุขสีดำ มันมีอยู่ความมืดสีขาวหมอกพวกนั้นนะเป็นความมืดสีขาวควันมันมองไม่เห็นเหมือนกันนะควันมืดสีดําก็ลางคืนนะมืดตื้อๆเองไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็ต้องตาดีนั่นแหละนะตาดีแต่ถ้ามีไฟนะกลางคืนมันก็ทําให้มองเห็นแต่บางทีศัสตร์ศาลาสิ่งไม่ต้องใช้ไฟนะตามันดีมากดีกว่าเราอีก สามารถมองเห็นได้ด้วยแต่มนุษย์เนี่ยมีตาในดีนะตาสติตาปัญญาดีเป็นตาที่ทะลุทะลวงเห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องแตกฉานเรื่องของชีวิตเรื่องของธรรมชาติทั้งหมดเรียวโล ก, กบวิทูรู้แจ้งทั้งภายนอกทั้งภายในรู้แล้วไม่ยึด ถ้าจะยึดก็คือการทําหน้าที่ยึดเอาสมมติบัญญัติก็มาใช้ร่วมกันเป็นกฎหมายสมมติว่าอันเนี้ยถ้าทําผิดล่วงละเมิดก็ต้องมีโทษสมมติกันว่าอันเนี้ยคือความดีถ้าทําถูกก็จะมีคะแนนให้มีรางวัลให้เราก็อยู่ภายใต้กรอบของสมมติบัญญัติกัน เราก็เห็นเป็นความจริงเนี่ยวันนี้คือสมมุติไม่ยึดไม่ถือจนกระทั่งกลายเป็นทุกข์แบกเป็นภาระถือตัวถือตน ถ, ถือติดความรู้ความสามารถต่างๆจนทะเลาะกันน่ะแข่งขันกันจนะเจ้ า, จาที่หนึ่งอันนี้เราทําให้เด็กเครียดตัวเนี่ยยัดเยีดยดกข้ไปยังปิดเติมก็ไม่ได้หยุดพักกัน ต้องเก่งต้องเก่งต้องเก่งต้องเก่งแล้วก็ไปเรียนคูนะ่ว่าดังระเบิดขูดหลายคนที่โรงเรียนก็ไม่ได้ทำงานหรอกไม่ได้ใส่ใจกับลูกศิษย์แต่ว่าพอออกนอกโรงเรียนมาติวเนี่ยสอนเก่งจังมันเป็นธุรกิจไปหมดแล้ว แต่มาที่นี่วัดป่าสกโตเนี่ยเราพยายามให้เรียนรู้การเคลื่อนการไหวความรู้เนื้อรู้ตัวตามหลักปฏิบัติวิธีการจรติปทานแนวเคลื่อนไหวหลวงปู่เทียนจุฬาโพหลวงพ่ออมเขียนั่นก็พยายามที่จะสอนพยายามที่จะบอกจนล้มหายตายสนไปแล้ว จนหมดเรีย่ยวหมดแรงที่จะพูดกันแล้วเพราะนั้นเราอยู่เราก็พยายามที่จะฝึกหัดกันเดินตามรอยเพื่อเกิดกําลังคือศีลขึ้นมาศีลก็จะนําสุขมาให้ศีลก็จะนำโพกัพย์ให้ศีลก็จะนะําความเย็นมาให้จะนํามาให้เราต้องมีความอดทนอดกลัน้นต้องมีความเพียรลงไปวิสาหะลงไปต้องรู้จักประมาณ ในการนั่งเดินยืนนอนในการพูดในการรับประทานอาหารในการหลับการตื่นแกรงใจรู้จักยำเกรงพระเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเกรงอกเกรงใจไม่ต้องกลัวถ้าจะกลัวก็คือกลัวทุกที่เราเคยหลง เ, เปลี่ยนห ม, ม่ยมเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดโอวาตาปาดิโมทิเ ม, ออ ก, มกี้เราสวดแค่ไหน เ, นะเมื่อวันมาค้าบูชาที่ผ่านมาโพลโพลเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยแม่นถแหล่นะบางทีเว้นโพลจิตตวิยาอย่างการเมืองเนี่ยนะเลือกตั้งผู้ว่าบางทีก็ชี้นําให้คนแพ้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโพลนุสันานี่คิดว่าคงจะไม่ใช่โพลที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง เป็นโพลที่สอบถามคนไทยว่ารู้จักไหมว่าหลักการของศาสนาอยู่ตรงไหนในร้อยคนตอบได้อยู่ 19% 19ค น, นตอบได้ที่ว่าตอบได้ก็ถามว่ารู้ไหมตอบว่ารู้นอกนั้นตอบว่าไม่รู้แล้วใน 19% นะถามว่ารู้่รู้อะไรหลักการศาสนา ตอบได้แค่อีกหกคนนะั้นนะตอบได้อยู่หคนในส9บเกคนนะที่ว่ารู้นะตอบได้อยู่หกคนก็คือประมาณสามสิเปอร์เซนตรู้ว่าเออวาสนาสอนเรื่องอะไรข็เรารู้ด้วยนะละชั่วททำดีชำระจิตอันนี้เกิดขึ้นวันเพ็ญเดือนสามาค่าบูชาคือส5บห้าคั พระเจ้าไปพูดที่วัดเวรุวันวันแรกของโลกพระสงค์ก็มาประชุมกันโดยไม่ได้นันหมาย 1,250 น้คนรวนแล้วแต่เป็นพระรหันต์ทั้งหมดเลยับหลักการนี้ไปสอนคนละชั่วทำดีชมระจิตมีความอดทนอดกา้า้นเห็นคุณของพระนิพพานไปทำพระนิพพานให้แจ้งไม่พูดร้ายไม่กล่าวร้าย ไม่กาสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบี้ยนมันเป็นอุดมการ์ของชาวพุทธไปช่วยป่าประกาศเทนึงเราพระอริยะสงฆ์ก็น้อมรับจนทั้งมาถึงพวกเราทุวันเนี้เมื่อกี้ที่เราสวดนี้สำคัญนะเป็นกุตการนิกายคือเป็นคําจากพระโอษฐ์หนังสือทํามว่ม้ส่วนใหญ่มาจากคําพูดของพระพุทธเจ้าเรามีความเชื่ออย่างนั้นกัน ก็นี่ทำยังไงถึงใ ห, ให้มันเป็นจริงในวันนี้ก็คือละชั่วก็มารู้สึกตัวสิทําดีก็มารู้สึกตัวสิชาระจิตก็คือรู้สึกตัวจิตปกติมจะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์อย่างนี้ถ้าติดขาวติดดากันอยู่ก็เป็นเทวดาเป็นพรหมกันอยู่เป็นเปรสารโลกสุรกายอยู่อบา ย, ยภูมิกันอยู่โลงความรู้สึกตัวนั้นเป็นโลกโลกุตละธรรมเป็นโลกของความเหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายเรียกว่าสุขโต เรามาสุขโตโอก็มาดีไปดีเรามีร่างเป็นมนุษย์ก็ทําความเป็นมนุษย์ยกขึ้นเป็นพระอาริยบุคคลไปเลยแต่หลายคนก็นความเป็นมนุษย์เป็นปัญญาชนทาดีให้กับโลกถ้าทาดีไม่ประมาณก็ทําดีขนาดไหนคิดดีพูดดีทาดีไปได้แค่พรมเป็นพรมก็ยังเวียนว่ายตายเกิดมีเมตตาก็นาไมตาเบาิกขา เพราะนั้นถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติธรรมหรือฝึกสติเราก็จะมีเมตตาเราก็จะมีการณาุณยเมตตาแบกขาเหมือนกันเหมือนองค์สมเด็จสัมมาฯเจ้าตอนที่บรรลุธรรมก็สเสวยวิมุติสุขไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพอยู่เจ็วันสเสวยวิมุติสุขแล้วก็ไปเดินจงกร ม, นะมอยู่ที่ล้นะจงกรมอยู่ที่ อะไรอนิมิตเจดีมองย้อนกลับมาที่ตน้นโะพอันนี้ก็เคยไปอยู่จุดนั้นจริงจรนะิอาตมาก็เคยไปนั่งอยู่ตรงใต้ต้นโพนั่นแหละเราเคยไปยืนในตำแหน่งที่เจ้าเขาว่ายืนอยู่ตรงนี้แล้วมองกลับมาที่ต้นโพก็เคยไปยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนกันแล้วเคยไปเดินจงกรมนะอยู่ตรงทางเดินจงกรมรัตนจงกรมเป็นซอกเล็กๆ ก็จะมีดอกบัวอยู่19กดอกเราก็เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปของเรานับได้34มเก้าอ่ามาก็มันึกตัวเอ๊ะเจ้าเดินจงกรมนถ้าตัวเท่ากับเราในท่านเดินขาทางก็คงจะเป็นไปไม่ได้เดินขาทางก็มาดูเอ๊ะคงจะล่างสูงใหญ่ตัวใหญ่ เขว่ากันว่าสูงประมาณสองเมตรเขาว่าก็ได้นะจริงๆเราก็ไม่รู้สูงขนาดนั้นจริงหรือเปล่าแต่ที่แนี่ก้าวยาวเราเดินสามสิบสี่ก้าวอาอท้าวเจ้าเดินตรงนี้เราก็เดินตรงนี้แหละข้างๆกันเดินเป็นวันเป็นคืนเลยนะเดินตรงนั้นนะบางทีเมื่อยก็นั่งสร้างจังหวะนั่งสร้างจังหวะโอ้โหฝรั่งมังค่าหรือว่าพวกชาวจีนพวกญี่ปุ่นนี่มานั่งดูกันทำอะไรอะ่ะ นัง น, น, นั่งสมาธิก็นิ่งๆอะโยมบางทีก็รูปกรรมนั่งบางทีก็เอาเม็ดถั่วหรือว่าหินทั้งที่เบรนะมาเคลื่อนแล้วก็ใส่เคลื่อนแล้วก็ใส่เคลื่อนแล้วก็ใส่ใส่ใจะโลหะเงางามอะเหมือนฝาบาทอะนะแกล้งแกงแล้วก็บริกรรมมลสวดมนไปด้วย บางทีก็อัสดางขบดิษ์บางคนก็กราบอัสดางครับดิษฐ์ทางทิเบตเคยเห็นไหมอัสดางขบดิษเราเบญจางขบดิษใช่ไหมอัสดางก็คือเหมือนหนอนเดินนึกถึงหนอนกระดึบ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปเป็นความแตกต่างที่สมดุลจริงๆทุกคนมีพ่อคนเดียวกันคือพระเจ้าแต่เวลาปฏิบัติมีความแตกต่างกันแล้ว ม, มีใครทะเลาะกับใครนะ แล้วดังนั้นเรามาวัดป่าสุกัตแล้วเนี่ยพยายามเลยนะวันนี้เราจะกลับแล้วหลายคนมารับรู้หลักการวิธีการแล้วก็ฝึกหัดลงไปโดยการปฏิบัติก็เต็มที่แล้ววันนี้วันสุดท้ายเป็นวันที่หกตอ น, น, นเช้ายันมือน่อคืนใหม่ๆก็เหมือนกันว <c oughs> ันนี้จะเปิดกันวันแรกก็ตั้งใจใส่ใจจริงๆอะไรเกิดขึ้นมาอารมณ์ต่างๆนะอันนั้นนะให้รู้ไว้เลยคือทำ ม, มาทั้งหมด อะไรเกิดขึ้นมามันเป็นธรรมชาติในตัวเราถ้ามีปัญญาหยิบมาใช้มันเป็นกุศลได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีปัญญาหลงเผลอขา่าวสตินะมันเป็นอกุศลได้ทั้งหมดเลยนะทุกตัวความง่วงเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ความเจ็บความปวดเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ความเบื่อเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ความคิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาที่เราไม่ได้ตั้งใจเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ อยู่ที่ว่าเรามีสติหรื อ, อยังกําลังคือศีลน่ยมีหรื อ, อยังถ้าเรามีกําลังคือศีลเห็นกายเป็นปกติศีลปรากฏเห็นวาจาเป็นปกติศีลปรากฏเห็นจิตของเรามันปกติศีลปรากฏแต่ศีลปรากฏสมาธิก็ปรากฏปัญญาก็ปรากฏเราจะเห็นการจริงแล้วโอ้ที่เราทุกทุกวันนี้เพราะอะไรไม่ก็จะตรงที่พระเจ้าสอนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ต้องศึกษาจากตำราก่อนเราศึกษาจากการกระทํา ตรงๆลงไปของเราทันทีเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกแบนะมันก็จะเกิดพลังขึ้นมาตามขั้นตอนของการปฏิบัติตามลำดับขั้นบันไดของอารมณ์ปฏิบัติที่เราค่อยๆไต่ขึ้นไปวิธีการนี้จึงเป็นการไต่บันไดทางพระองค์บางตัวเราอาจจะไม่ผ่านสมมติมีลูกไม้ผลไม้สกุขอย่อยางเงี้ยนะแทนที่จะขึ้นต้นให้มาแดงกัน เราไปขึ้นเราวางบันไดตรงนี้มันเกิดลูกก็วางผ้าไปแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปกินเลยมันจึงสะดวกเหมือนที่อาจารย์สมใจชอบพูดนะกรรมฐานสะดวกทำ ม, มีร้านสะดวกซื้อแล้วนี่เป็นกรรมฐานสะดวกทำ ม, มันสะดวกเพราะว่าเรากลับมาหาความเป็นโพติรู้สึกตัวมันก็ตื่นไปเลยถ้า ม, มีตัวอื่นดึงตัวบวกตัวลบตัวสุขตัวทุก ตัวพอใจไม่พอใจมันก็มาที่ปกติรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันผ่านได้ไวมันจึงแก้อารมณ์กรรมฐานได้ทุกอารมณ์เลยความรู้สึกตัวเนะขอให้กลับมาหาความรู้สึกที่กายให้เป็นกันแล้วกันรู้จักตรงนี้ซะก่อนกันแล้วกันเหมือจะพาไปเอียงไปเทไปลุ่มลึกไปซาบซึ้งไปจากอยากไปหาละเอียดอย่างเงี้ย น, นะอืมอาณาบาลเห็นว่าพูดมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วละ พูดอะไรดีกระดับไหนนั้นมากเกินไปมันก็น่าเบื่อเพราะ ว, ว่ามันเจ็บปวดที่ตัวเองอ่ะมันทุกข์ฟังยังไม่ได้มีจิตมีใจที่จะฟังต่อไปก็ขอให้สิ่งที่ยินได้ฟังสุผสรุปจะประเด็นนิดเดียวก็พอก็คือแค่เคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตัวให้เป็นส่วนอีบทไหนก็ตามก็ฝึกกันไปตามกําลังของใครของเรากันจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนอะไรก็ตามเถอะให้เป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดนั่นแหละ จาหันซ้ายแลกว่าอะไรก็ตามก็ขอให้การฝึกหัดปฏิบัติของเราก็ลุ่มลึกลาดเอียงเทไปสู่มรรคส่ผลตามสมควรแก่การปฏิบัตินโดยทุรนาการทุกท่านทุกคนนั้นเถิด